การแบบเข้ามานั่งข้างในมานนิบาลนะครับจะได้เกี่ยวก่าไรได้อเเจริฟทุกคนนะหลายคนคงได้เคยเจอมาบุตรที่แล้วก็อยาสองที่แล้วตารางที่เ่มาเมืเช้าด้วยนะก็ได้ทราบว่า มันมีประเด็นสองสประเด็นที่เลาจะทำให้ชัดเจนประเด็นแรกมเป็นเรื่องแยวที่นะก็คือเรื่องกระบวนการเรียนรู้น 2, ี้สองเรื่อ ง, าองการสอบบทเรียนซึ่งสองัีเกี่ยวข้องกันมากไอ้สองคำนะเนี่ยค้เดมแล้วคใหม่นะแต่ิไม่ใหม่มะพวกเรานี่ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยครู เคยเล่านทธีศพให้ฟามนะ่ไหมผมเคยเล่าว no. er uh, ่าเรื่องหมาข้ามเนื้อหมาตัวหนึ่งได้เลือดหมาก้อนหนึงเได้ฟังไหแล้วก็มันก็ดีใจมากแต่แล้วลองที่มันเดินข้ามแมน้ข้ามข้ามสะพานมันมองไปข้างหน้าเจอเงาของมันเีแต่มันเข้าใจว่าเป็นหมาตัวนซึ่งอ้าก้อนเนื้อมกแต่เป็นเนื้อที่ก้อนใหญ่กว่า มันเห็มันก็อยากได้ใช่ไหมมันก็เลยอ้าปากเพื่อที่จะไปนับเอาเนื้อป้อนอยู่ข้างล่างแกิดอะไรขึ้นแล้วสลดน้ำเมื่ครูเร า, ราที่จบเนี่ยครูอยากถาวมว่าที่ทรั้งที่สอนวาอะไรตอบได้ไหมตอบได้ไหมตอบว่าม า, มาด่าอ่าอบทีไม่ได้เพราะว่าครูอยากถามว่าที่กินแล้วหมอนม้าหมาอะไรบ้าง ครูจะถามว่าทานเมื่อกี้สอนว่าอะไรเราจะตอบว่าอย่งไรเราบังขายก็ได้เลยเอบว่าสิ่งที่เราอยู่กับมีกับเราแล้วเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่ไกลตัว ก็ได้คนเราทุกวันนี้เนี่ยมักจะมองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่เราไปสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีและเราก็ลืมหรือเมื่อเรารักเลินสิ่งที่เรามีไปเราก็เลยไม่ได้รับความสุขจากสิ่งที่เรามีเราอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ทียังที่วางขายอยู่ตามร้านอยากได้คอมพิวเตอร์เครื่อ ง, หองใหม่กล้องตัวใหม่แต่เราไม่สนใจกล้องที่เรามีเครื่องที่เรามี หรือบางคนจะสนใจพี่คนหนึ่งนะแต่เราไม่สนใจแฟนของเราเพราะว่าแันอยู่ใกล้ตัวเองไปแล้วเมื่เราความพยายามฝ่ายว้าหาสิ่งนั้นมาเป็นพยายามฝ่ายว้าหาผู้ิงคนใหม่แต่แล้วในี่สุดเราก็เสือเสียยคนที่เราอยู่แฟนคนที่เราคนเกิมที่เราอยูก็ได้อันนี้เนี่ย น, นี่ก็เป็นเป็นบทเรียนที่ ท, ที่ ท, ทิฏฐิศเขาสอนเราคําว่าเวลาครูก็ถามว่าทิทาิเรื่องนี้สอนอะไรนี่แหละครูกําลังออดบทเรียนกําลังช่วยเราถอดบทเรียนคือให้เราสรุปว่าบทเรียนจากทิทาิเรื่องนี้คืออะไรนะครูที่ดีจะงไม่บอกเลยว่าทิทาิเรื่องนี้สอนว่าอย่าเป็นหมาหน้าโง่นะหรือว่า อย่าโล่งมากนะหรือให้สอนว่าให้รู้จักพอใจสิ่งที่มีดีสิ่งที่ได้ผูที่ดีจะไม่สอนแบบนี้แต่ผู้ที่ดีจะถามถามพวกเราว่าที่ทางที่สอนม่าอะไรเพื่ออะไรทำไมผู้ที่ดีก็จะถามแทนที่จะบอกเรโดยตรงให้เราคิดเองให้เราคิดเองใช่ไหมเมื่อเราคิดเองแล้วเนี่ยมันจะอยู่เราไปนานแต่ถ้ามีคนบอกให้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ลืม เมื่อเราคิงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจะาบางทีสิ่งที่เราตอบไปเนี่ยอาจจะยังยังไม่ลึกพอครูก็จะถามต่อถามต่อจนระทงเราได้เห็นอะไรที่ลกมากขึ้นนี่เรียกว่าการ่อนบเรียนนะซึ่งเป็นคำหมายแต่ว่าเราทำนาแล้วครูก็ทำนานแล้ว า, น า, นวาีเราเนี่ก็ทากับรูปกับกับผู้ศึกของเรา ทกที่อร่อยพวกเราเคยฟังเรื่องเรื่องที่ทานเรื่องพ่อพี่น้องที่ทเลาะกันอีกนะ พ, พี่น้องอีสีคนทเลาะกันแล้วก็พ่อเนี่ยก็ อ, อยากจะสอนให้ลูกมีความสัขทีพ่อก็เลยให้ลูกเนี่ยไปเอากิ่ไม้มาบนตกินแล้วก็แต่เะคนห่ า, า ค, คุณมถ่ม แต่ละคนหักแล้วเป็นงานถักได้ไหมได้วันนี้พ่อบอกว่าเอาใหม่เอาอีกมั้งสี่ยู่มารวมกันแล้วมัดแล้วให้แต่ละคนักถักได้ไหได้สมมติเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นลูกสีคนเนี่ยเราถักก็ถักไม่ได้พ่อเราจะถามว่าทำไมถึงถักไม่ได้ เรากจะตอบว่าทำไมที่ทำไม่ได้ทำไมที่แรกเคอจริงหักได้แต่พอรวมเสียงมัหากไม่ได้เพราะอะไรนะพอรวม ก, กันเมื่อบรวมกันก็หําไม่ได้เพราะมันจะของแรงใช่แล้วพ่อก็เลยถามลูกต่อไปว่าพอรวมรงใ้เคลื่อนจริ ลูกจะตอบว่ายังไงอะรวมกันตึงพลังใช่ไหมพอลูกตอบเช่นนี้เนี่ยลูกได้ได้ปัญญาใช่ไหมสิ่งที่พ่อกำลังทำเนี่ยเรียกว่าพ่อกำลัง่อโรงเรโดยอาศัย กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ในที่นี้คืออะไรหให้หักกิ่งไม้ทีดแรกหกกักตีละกินก่อนสอทีนี้รวมกันแล้วักอันนี้เราเรียกว่ากิจกรรมหรือประสบการณ์สิ่งที่พ่อทําอย่างแรกคือให้ทํากิจกรรมก็คือหักกิ่งไม้ใช่ไหมหักเสร็จ ก็จะถามว่าทำไมลุกทางไม่ได้เมื่อเอากิ่งไม้มารวมกันนะเด็กก็จะตอบเป็นเพราะว่าทำหลายกิ่งเลยยากแล้วก็พ่อกถามต่อเราว่าแล้วถ้ามันเทียบกับมันลุกเนี่ยถ้ามันถ้ากิ่งไม้นี่หลายทต้นุกเราเนี่ยตันบอกอะไรเรา เราเกิดตอบว่าคนเราต้องสามวันคีกั pattern, thankful, elle, keyword, นะสิ่งที่พ่อทำเนี่ยคือเมื่อทํำกิจกรรมแล้วก็ให้มีการไต่ตรองการไต่ตรองไต่ตรองด้วยการด้วยอะไรด้วยการถามว่าทําไมมันถึงไม่ห่านะและถ้ามันเทียบกับมนุษย์เราเันหมายความว่าอย่างไรเด็กกตอบว่าเป็นเพราะคนเราต้องสามวัคขีกัน พอเด็ได้เห็นตรงนี้เด็กก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็เกิดความรู้บทเรียนเด็กเกิดปัญญาแล้วว่าอ๋อสัมภิพเพื่อนะทั้งหมดนี้เราเรียกว่ากิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนี้เลยเรี่ยกกระบวนการเรียนรู้ ที่จริงถ้าถ้าเป็นพ่อคนอาจจะอาจจะบอกเลยว่านี่เธอมาดีทะเลาะกันทะเกันแล้วพ่อก็จะบอกไปเลยว่าเราต้องสามาัคคีกันนะสามัคคีคือพลังนะใช่หถามว่าพูดมีเด็กเก็ตหอาจจะเก็แต่เราไม่ได้เก็นนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยได้ชุดรองคเอนแล้วก็ได้ใส่รองถ้าเป็นวิธีแบบว่าเออต้องสามาัคคีกันนะสามัคคีคือลัง ว่เกิดไม่สมาธิกันต่อไปพี่น้องก็จะถูกคนหนึ่งเขอาเปรียบนะนี่ะเป็น ว, วิธีหนึ่งเป็นวิธีการให้ให้ปัญญาแต่เป็นวิธีการที่เราเรียกว่าใช้วิธีการสอนแต่อาจจะไม่เกิดการเรียนรู้มีการสอนหลายอย่างที่ไม่ไมออมให้เกิดการเรียนรู้ครูสอนข้อสอนแม่สอนแต่ว่าไม่เกิดการเรียนรู้ในตัวเด็กเลยแต่บางอย่างไม่ต้องสอน แต่กระบวนการรูปเกิดขึ้นอย่างกรณีนี้เนี่ยพ่อบอกลูกว่าสามสิบปีลังพอบอกไนหะพ่อไม่ได้บอกแต่เด็กรู้เองพ่อถามว่า ท, า, ทาแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้เรรู้รอะไรก็จะได้รู้ออกสาขสิบปีลัพ่อไม่ได้สอนนั่นแต่เด็กเกิดปัญญาขึ้นมาเองเพราะว่าอะไรเพราะว่า การไต่ตรองไต่ตรองในตัวเด็กการไตรตรองกิดขึ้นได้ยังไงการไต่ตรองเกิดขึ้นเพื่อพ่อถามลูกและจะถามได้เนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์ที่เด็กได้เคยทาก็คือได้ลองทำหกากินไม้เด็กรู้เองอันนี้แหละที่เราเรียกกระบวนการเรียนรู้คือไม่ใช่การสอน นะกระบวนการเรียนรู้มาจาก ก, การสอนี่ิงการสอนก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ได้แต่ว่ามัน ม, มันไมนนี้ขอแยกให้ชัดหน่อยว่าการสอนนี่จะเป็นเรื่องการให้คําตอบเด็กหรือว่าถ้าเรากระบวนการเนี่ยเราก็ให้คําตอบเด็กไปเลยให้คำตอบคนมาร่วมเลยว่าเป็นอยังงนี้แต่ถามว่าเกิดการเรียนรู้ไหมไม่แน่ครูสอนแต่เด็กไม่เรียนรู้ก็มีพ่อแม่สอนแต่เด็กไม่เรียนรู้ก็มีแต่บางที ไม่ S <S มีใครสอนเด็กเรียนรู้เช่นเจรันี้เด็กเรียนรู้จากดาราจากเรยาเรยาสอนวะเรยาก็เล่นเขาเล่นละครที่ไม่ไสอนเราเลยเขาไม่เข้าไม่เคยหันมาบอกเราเลยหันหน้าที่มาที่เราก็บอกว่าว่าไรเราต้องตัดสินได้มากอะไรอย่างนี้เรย์ยัไม่เคยมาบอกกับเราเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เรยละเรยาก็เล่นไปมั่ไปเรื่อย แต่เราเด็เรียนรู้เรียนสูงเรียนสิ่เรื่องนึงนะนะเรียนถูกเรียนสี่เรื่องแต่เรียนเกิดการเรียนรู้เช่นอาจจะเกิดการเรียนแบบเลยยังไม่ได้สอนแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นกับตัวเด็กเาวชนถ้าเรียนถูกก็โชคดีกต่ที่เรียนผิดก็เป็นปัญหาเห็นไหมว่าระหว่าการสอนกับการเรียนรู้มันต่างกันสอนแต่ไ่มีการเรียนรู้ก็มี ไม่สอนแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นก็มีที่อย่าง น, น, นี้นี่ก็ไม่สอนนะพ่อไม่ได้สอนนะแต่พ่อทำให้เด็กได้เห็นด้วยตัวเองว่าสังคมเริ่มจากหนึ่งตรงคํา2ำสองต่รองแต่ว่าเด็กเนี่ยไต่รองเองถึงไม่ไต่รองหรอกพ่อต้องถามเด็กจุณจำเจ็เมื่อเด็กไต่รองเมื่อเด็กทำกิจกรรมไ ต, ต่รองเกิด บทเรียน ต, ตอนนี้แหะที่เราเลือกสอตัวเรียนนะพ่อกําลังสอนบทเรียนจากประสบการณ์ของลูกแต่ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างอาจจะเลือกอาจจะเลือกถามว่าทําไมไม้ไม่หัแล้วถามต่อเลยว่าไม้จากคนต่างยังไงในกรณีนี้ได้เรียนรู้อะไรที่เลยว่าพ่อกําลังสอนบทเรียนกำลังช่วยลูกสอตัวเรียนที่การสอตัวเรียนนี่ไม่จำเป็นต้องให้พ่อมาสอนก็ได้ เราทําเองก็ได้แต่ว่าหลายๆจะต้องเริ่มต้นจากการที่มีคนมาช่วยถอประเรียนให้แต่ไม่ใช่สอนไม่ใช่ใทาตอบอันนี้คือคือคือสิ่งที่มันมักจะหายไปในในในกระบวนการกระบวนการศึกษาและแต่ว่าคิว่าสิ่งที่เร า, ารกาลังทำเนี่ยมันคือแมเ้เราเราจะไม่ได้ทำในโรงเรียนนันแต่ว่า ม, จจนะมันเรากำลังทำกระบวนการเรื่เกิดขึ้นและกระบวนการกิจกรรมนี้นะมันทาได้หลายอย่างนะที่พวกเราหลายคนทํานี่ก็เป็นจจ ก, กิจกรรมต่อตมาเคยให้คนจับดอกไม้ทำกิจกรรมจับดอกไม้ทาพวกเราลงไปข้างล่าไปหาไปหาอีไม้เราไปหาดอกไม้มาแล้วก็เอามาจับแจกก่ายกระจายจ่ายกระจายแต่ละคน หลายคนไม่ได้ตัดดอกไม้หลายคนไปเอาตีนไม้ไม้แห้งไปเอาใบไม้แห้งมาซึ่งมันมีคนสนใจบางคนเอาดอกจ้ามาแล้วเ็าก็มาจับจับต้นสวยเลยสวยผลงานคือยายการที่สวยงามแต่ว่ามันไม่ใช่จุดมุ่งหมาย ที่แท้จริของตามของกิจกรรมนี้เราจะถามว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้คุณได้เรียนรู้อลไรบ้างจากการที่คุณได้จับไม้แล้วก็ไปดป็นแจกัน่อกไม้บางคนต่อว่านี่กิ่งไม้ใบ ไ, ไม้แห้งได้แห้งที่เราไม่ ข้ามไปเลยเราเดินผ่านไปเฉยเลยแต่พอประจันท์ใหม่ที่มันสวยพอได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมีความสวยงานะครับอยู่ที่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนพ้ามันอยู่ข้างถนนมันไม่สวยแต่ถ้ามันมาอยู่ในแ ก, กนงการมันสวยแล้วก็ทั้งแต่ว่าเราเคยได้เรียนรู้เรื่อความเกดชีวิต ในแง่นี่มันให้ผมเรียนชีวิตเขาก็ตอบว่าทุกคนมีค่าเท่ากันบางคนอาจจะไม่ฉลาดบางคนอาจจะไม่ ส, มสวยบางคนจะอ้วนบางคนอาจจะยากจนแต่เขามีค่าในความสามารถเท่านั้นดูที่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคนยากจนจนหรือว่าชาวไร่ชาวนาถ้าไปอยู่ในเกาะก็ร อ, อตายแต่ว่าตอาอ้องเจอจุดประดิษฐ์ยาในเกาะ เนี่ยมันก็บอกว่าต้นไม้ยาตังกส่วนเพราะว่ามันมีกินใหญช่วยหนน้อยใบมักลูก่อไม้ดอกใจมันช่วยห่อไม้ดอกน้อยาก็เลยเรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ต้องช่วยผูน้อ้องช่วยนที่เขาได้ยนแล้วสิ่งที่สิ่งกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเราไม่ได้เราเราเราไม่ได้ทเพียงแค่ให้มีดอกไม้ที่สวย ไั่ก็ดีนะแต่ว่าเราต้องการให้เกิดการเรียนรู้จากข้างในด้วยบางคนจ่าอตรงนี้ไม่สวยนะแต่เขาได้เลยเรื่อยกเลยแบบกิจกรรมนี้ในเรื่องชีวิตในเรื่องคุณค่าของคนเราแลายๆก็บอกว่าทำแล้มีความสุขสุขมากเลย กิกรมเมื่อเมื่อเมื่อกีเี่ยทกลอนนะแล้มันก็มีความสุขเลย่อความสุขที่เราไม่ต้องไปไปฟังเพลงอะไรนะเราต้องไปเที่ยวไนดิสโก้ที่ที่ไหนก็ได้นะจาก่อไม้เนี่ยมีความสุขเป็นความที่เรกความสงบสงบมากเลยใจอยู่กับปัจจุบันเ้าก็ได้เรียนรู้แล้เนี่ยนี่คือการถอดบเรียนจากกิจกรรม จัดไม้แน่นอ้อช่วยเลยละ่ะแต่กิจัไม้เนี่ยมปกิจกรรมที่มันก็ดูช่วงช่งคราเราสามารถทำกิจกรรมหลาย อ, อย่ที่เป็นกระบวนการเรืยเช่นปลูกป่าปลูกป่าเวล า, าทํารทำไปปลูกป่าเนี่ยจะไม่ไ ด, ด, ไได้ดูจะไม่ได้วัดจะไม่ได้วัดผลหรือดูเพียงแค่ว่าปลูกต้นไม้ได้ดกี่พันน้อยกแต่ว่าจะยามดูว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง ประสบการณ์การปูกป่าเนี่ยเขาได้รู้หรือู้อะไบางเกิดอะไรเกิดเกิะไรขึ้นในัวเบ้างปูป่าสอวันไปปลูกป่าที่ว่าสามวันสอวันเนี่ยเรียกว่ารับทุเลมากปวดตกที่พักกระแอร์อัดเอะเทชุ่มฉ่ำโชกเลยวันที่3ก่อจะกลับก็มานั่งป่วยร้องวกเหยียก็ถามว่ารู้สิ่งอะไร มีคนหน่งตอนผู้สือ่อข่าวสารเพราะว่าตอนแรกที่มาเนี่ยมองไปนอกมองไปอกฟ้านนแต่กุ้งไล่มันป่าที่มันเคยต้นไม้โรคกลายเปไ่มันแ้วก็เห็นต้นไม้สูงๆอสองสาต้น ข, ข, ข, ข, ข, ขึ้นโดเนเแตในล่วสเศร้าเิะรักมาชาติแล้วก็เศร้า รู้ว่าเคยเห็นเหมืนกับ้นหญ้าคือไม่มีเลี้ยวแย่ไม่มีพลังทาอะไรไม่ได้เลยล้มมาเป็นอย่างนี้แหละหลังจากไน ป, ป, ปลูกฟามาสอวันเธอบอกว่าตอนนี่ไม่ได้สวนเป็นญ้าเป็นต้นไม้บามสิเป็นต้นไม้มต้นไม้กับหญ้าตายกันนว่าเธอคือพลังที่จะทอะไรต่อไป นี่คือคือคือคือสิ่งที่ก้ะสรวงรัพนากรการปลูกป่าก็คือทาให้เขาได้เกิดการเรียนรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในเราจะไม่ได้ว่าเพียงแค่ว่ามีต้นไม้กี่ต้นที่ปลูกที่อื่นอาจจะไปเนตรงนี้ว่าจะปลูกป่าได้เวื่อเพื่ออรแต่มาจะเน้นว่าจะดูด้วยว่าคนปลูกเ น, นี่ยคนที่ลงมือไปปลูกอาสาัเขาได้เรยู้อะไรเอาซ่วนเขาเขาไปเฉลี่ยภาพ ที่จะทําอะไรเพื่อช่วยโมีิได้ไม่ใช่ออนนะพอเดือดต้อนนะรู้ง่ายคืว่าปลูกปลาให้ปลูกต้นไม้ที่อยู่ในมือเรานนัน้แต่ปลูกต้นไม้ใ น, ในใจด้วยนี่คื อ, น, คอนี่คือประโยคกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะเริ้นได้ต่อเมื่อเราได้พยายามชวนเขาใส่กรองนะชวนเขาใส่กรองทํากิจกรรมแล้วนะปลูกปลาแนละ้วแต่ต้องมาใส่ตรอง เน่เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราทํำหลายๆอย่างเนี่ยเราทําสิ่งที่เดี่ยวต่อสังคมมากแต่ทำไมอยาะบอกว่ากิจกรรมเนี่ยเวลาทำกิกรรมแล้วตามมมีผลมีผลที่เกิดขึ้นอยู่อย่างแต่ส่วนใหญ่จนเป็นได้ที่ผลข้อแรกก็คือผลที่เป็นรูปกรรมผลที่เป็นรูปกรรมเช่นปคูกต้นไม้ขน้ต้น จัแแดแจงทำให้สวยไ่้ไหมแต่ว่าอยากจะให้มอก ท, ที่นเข่างในคือความเปลี่ยนแปลงข้างในคือการเปลี่ยนทัศสกติคือการได้เรียนรู้ท้างในหรือปัญญาที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละที่ต้องมาใช้การสอนอบรมมองในแที่การปลูกป่ามไม่ใเป็นการาราาู้รับธรรมชาตินะแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้อยูเป็นทุ่งิันวสองอย่างในอันเดีกับ เป็นตั้งการรักษาโลกรักสาธรรมชาติและเป็นกระบวนการเียูกการไปช่ว ย, ยวกำพร้าไปช่วยคนแก่ก็เหมือนกันนะเรไม่ใช่เพียงแค่สมุก็แต่มาสามารถเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้อัตมาก็ชวนคนนะแต่ไม่ ไ, มได้ไม่ได้ทำเพียงแ่ชวนคนจะไปจะไ ป, ไ ป, ปนอาสาลโยเนอะที่บ้านฝักไปก็เป็นส่วนของคิธทธิทางจานกันอมาก็ท แล้วที่มันเติบโตได้ทุกปีเพราะว่าเติบโตกระวนการเรียนรู้ขึ้นมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าว่าเขาเป็นข้อปวดไหลเคลื่อนมากปวดหัวไหลเคลือนต้องกินยาทุกวันแต่หลังจากท่เขาไปนวดไปนวดเด็กเดบ้างเกกเาอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเขานอนตลอวมีใุ้มที่ใเล่น้าก็ก็นอนอย่างเดียวพี่เงไปขอขาอุ้มีคนมาาเดินเ่างกายไม่ดีขึ้น เส้นสายที่ดีพอไปนวเจ็บไปเล่นกันเด็บเนี่ยปีนคนที่บอกว่าได้คิดแล้วพัฒนาเหตุใจว่าเดเนี่ยลืมปีนยากิืมปีนยากที่สุดทาไมลืมฮะเพราะว่ามีความสุขหายปวดหัวเวลานวดเสร็จแล้าายปวดหัวเพราะามีความสุขลื แล้วเขาเลยพบว่า้จริงแล้วเขาไม่ได้ให้เด็กเด็กต่างหากที่ให้เขาการจะทำการเรียนจินตนาการเ น, รารนี่ยไม่ใช่ฝ่ายให้แต่อฝ่ายรับเขาเรียนรู้ว่าที่ผู้เจ้าสอนเลยผู้ให้ความสุขยอได้รับความสุขอันนี้อาจารไม่ได้สอนเขารักไม่ได้สอนเ้าแต่เขาเรียนรู้ได้ตัวเอง จากประสบการณ์นี้แต่ถ้าทำประสบการณ์แล้วไม่แต่ตองก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดเห็ใจนะก็ไม่ถึงการเรียนรู้นะอยากผู้หญิงนี่ก็เก็ใจไม่ทำไมยืมกินยาแต้วก่อนิทุก ม, ไมัไปลืมกินาพอถามว่อเจ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ออกตามมาเอ๋อเพราะว่าทำแล้วมีความสุขไอ้เขวดเด็ก น, นะทำกิจกรรมแล้วพ่อเขาไม่ไต่ตองนะ แล้วเขาก็เกิดปัญญาในการเรียนรู้การโู้เนี่ยงใจเป็นไม่ใช่เีแค่การช่วยเพื่อนอุษย์เท่านั้นแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดเขาด้วยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียนรู้เองนะเไม่ได้ไจต่อยนะพูดจับเนี่ยจะเอามาเอาอสัวเมร็จเสร็จมาคุยเองคุยเยองเลแล้วแล้วอีกตงนี้เขาก็เล่าในวงเนี่ยนะเขาเลือกคิดขึ้นมาได้ทขาก็เล่าในวงภ า, า, าษาสํรับก็คือ ได้ฟังก็เกิดใจเรารู้เหมือนกันแต่นใจนรเรารู้ที่เกิดแต่การฟังและมีประสบการณ์ร่วมซึ่งจะได้รสชาติดีกว่าการที่แค่ฟังเฉยๆอย่างอ้นเราเขาเล่าเรื่องี้คือการตรวจะรู้สึ ก, สกสไม่เท่าไหร่แต่คนที่เขาไปรูเ้เด็กเหมือนกันเนี่ยเขาจะเคลียร์ได้เร็วมากเลยเพราะว่าเขามีกิจกรรมประสบการรูมกัน เห็นนะว่าที่เราผูดมาเราเห็นะว่ากระบวนการเรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นสิ่งที่คุณเคยผ่านมาแล้วและการขอบรเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่คุณเคยเจอมาแล้วจากครูบางคนจากพ่อแม่จากที่ที่เขาเขาจะไม่ตอบคำถามแคุณแต่เขาเขาาจะไม่ตอบคามให้คุณแต่เขาจะถาม มีโรงเรียนหนึ ar, e like so today, ่งที่โรงเรียนบางส่วนด์ที่เราไม่สราบมกาเปลี่ยนแปลงแัไหนแล้วที่บางสวราองมารท้าเปลี่ยบางสวนทีนั่เนี่ย้เนทุกคนจะต้องมีแปลงทำมแปลงทุกคนต้องมีแปลงทำมแปลงนะถ้วแปลงทนี่นะทุกคนต้องดูแลเพราะว่าและเวลาสองสือเนี่ยเวลาให้เรียนวิชาก็ตามิสตา์ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ต้องไปที่แปลงนี้ จเรียนความภาษาไทยประสบการณ์การปลูกผักภาษาอังกฤษก็จะดูว่าผักที่ชอบภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรไเจนคูเบิลกินเรียกว่าอะไรเรียกว่าซอยนนะหมอเรียกว่าอะไรหมอเรีกว่าโง่นปลูกผักเรียว่าอ ย, ย่างไรไอโตเคินะวิชาวิชาพมิสไซ์ก็ผัม อ, อ ก, กันาว่าผักเป็นไทยภาษากร้องต้องเรียนคำลึกลึกเยอะคำไร แต่ผีววิชาในที่ปรุไก็ได้สอนโดยตรงนะใจเดเรยวันหนึ่งเนี่ยมันมีคนเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาไปเป็นแฟนเพื่อนเนี่ยมันก็เห็นตอนขึ้นเขาก็ดีใจออนอนขึ้นแฟนเพื่อนแปลว่าอะไรแปล ว, ว่ามันจะสู้มันจะเสือสู้แฟนสไม่ได้เขาก็ปล่อยไป <c oughs> ใช่ไหมไม่กี่วันต่อมาผมว่าน อ, อนทำไง มาที่แตงเข้าแตงเข้าก็เล่นด้วยครูเขามาไล่ให้ครูฟังครูถามว่าเธได้เยนอะไรได้เห็นูเรื่องีว่าอะไรได้เรยรู้ว่าอะไระเไม่ได้เขาไให้เขาไมได้เป็คนปล่อยปล่อยปล่อยป่อยน้อยเลยน้อยสบายเลย อันนั้นแหะคือถ้าเราไม่ไม่ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเราก็จะเดือดร้อนเพราะว่ามันสองทางกันนะฮะว่าเรานิ่งุูได้ต่อไปเราก็จะเดือดร้อนมีวิชาศีลธรรมที่กูไม่ได้สอนแต่เด็กเรียนรู้จากการที่กูถามเด็กเด็กก็จะเลือกเรื่องของเราต้องช่วยกันนะต้องช่วยนะ หิ่งที่ครูทำคืออะไรคืกกกอกำลังกำลังอนักเรียนจากประสบการณ์ที่เกิดสึน้น้นใน่าฝันครูไม่ได้อยากให้เกิดเกิดเกิดเชื่อราเกิดน้อ น, นอแต่ว่าสำหรครูสครูคคที่ฉลาดทุกอย่างดีทั้งนั้นก็สามารถจาก่อยให้เกิดการเรียนรู้ไม่ว่าคุณสาเร็จหรือคุณล้มเหลวดีทั้งนั้นเราทำกิจกรรมเนีน่ยนะคั า, ามจริ ง, งทำแไม่ไม่ตงามาไม่ไม่เเพราะคาดที่เราคิด น, นะเดี๋ยวไปเดี๋ไปคอย ถ้าคุณแตถ้าคุณฉลาดในการแต่รองนะก็จะเกิดการเรียนรู้ถ้าคุณก็จะเรียนรู้ด้วยข้อที่จีิงแ้วเราเรียนรู้จากความรู้เหนื่อ่าความเฉลี่ยกว่าเราจะเดินไปได้เนี่ยเราต้องรู้เื่องอีกทางตอนที่เราเป็นทางรถตอนเราจะกินพยายามไปได้เราต้องรู้สูงกว่าเราจะว่ายน้ําไปเจอเราสำลับน้ากับรู้จิบเราเรียนรู้จากความรู้เหนื่อยก่อนความเฉลี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจรูประการเรียนรู้นั้น อิจกรรมมาจ่อมาบวกหรือลบบกหรือจานะไม่ไม่สำคัญขอให้มีการใส่ความที่ดีวันนี้การไส่ความทอยังไงนะการและการสอบโรงเรียนทำยังไงนะโรงเรียตะลามก่างเช่นการทั้งถามการทั้คถามในกลุ่มการทำกลุ่มย่อยหรือว่าการที่ทาให้ขาเนี่ยได้แสดงออกในการใช้สิทธิต่างทำอะไรไบ้ การไต่ตรองแต่ว่าพิที่น์หลักๆที่ทำให้ง่ า, ค า, า, ง า, า, คายคือการโยนคำถามเื่อก็เล้คิดอนาคตเราก็งโยนให้เป็นต้องโยนคำถามที่สำคัญส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่เวลาาลกไปเที่ยวเาไปอยู่ละครเนี่ยพาไปเที่ยวพาไปดูน้งพาไป พาไเที่ยวคอไปถามว่าอะไรเที่ยวสนุกไหมน้ำสนุกไหมใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ถามว่าเที่ยวได้อะไรบ้างได้ได้เสื้อตัวหนึ่งได้ได้นาฬิกาแตถ้าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อถามเผเที่ยวเที่ยวสนุกไหมดูถ้ำสนุกไหมอาหารอร่อยไหมแต่ก็ไม่ได้ถามว่าได้อะไรได้เรียนรู้อะไร ถ้าแม่ถามแบงนี้ถัาถ้าถ้าพ่อถามแีครูถามนี้สิ่งที่ถ้าแต enfin ่ครูกำลังทสที่ว mm ่าขอรเรียนดูนั้นตัวละครเนี่ยต้องมาต่อโรงเรียนนะดูนั้นนยาติตัวาะครเนยญต้องสอบโรงเรียนก็ทได้่านะครับเขาได้ความสุกนั้ไม่ได้เลยนะแต่วคุณไมเกิดการเรยู้คุณไปเชื่อแล้วคุณได้าแต่สนุกแคุณไม่ได้เลยยหลักา จะเป็นสฏิปัญญาเนี่ยมันก็ไม่เกดการเรียนเมื่อ็นนะว่าการเข้ารเรียนนีะมันมันมเอาไปใช้กัชีวิตประจาวันไม่แค่เอาไปใช้ในเรื่องการเรียนอันนี้พอเราเรียนนี่นะมันจะมีอย่างนี้นะกิจ ก, กรรมการไต่ตรองความรู้ใช่ไผมว่าเรื่องสามคือพลังเแต่รู้เราสามข้อคือพลังอันนี้การเรียนรู้ที่จีิงอันนี้ต้องเอามา เอามาใช้กับชีวิตเอามาใช้เรโยมกับชีวิตมันถึงจะจะจบขับวนถึงจะครบข้วถ้าเกิดปัญญาเกิดการเรียนรู้แต่ว่าถ้าการเรียนรู้นั้นเนี่ยมันไม่โยงกับชีวิตประจำวันเนี่ยหรือโยงกับชีวิตของเราเนี่ยมันก็ยังเรียกเป็นการเรียนรู้ที่ที่ดีไม่น่าที่สม าคำถามมีมีเหตุการณ์นะนักเรียนอันนี้ใได้ยินได้ทําแล้วก็อานเคยนด้ยินฟังมแล้วก็ถ้าถ้าถ้าแล้วก็ไว้ก่อนนักเรียนนี้คนน ม, มีเงินยี่บาทกไปซื้อขนมขนมราคา5้าบาทเด็กก็จ่ายเงิน พ่อค้าก็คือมาห้าบาทเด็กคว้าเงินความห ม, หมเสร็จก็เรียกนีออกไปรอกนอกแล้วออกไปนอกรา้านกลับบ้านคุณอธิบายรยการน้วย่งไเด็กมีเงินที่สิบาทไปซื้อของ5้าบาทได้เงินคืนห้าบาทเด็กคว้าเงินคว้ามหมแล้วก็กลับบ้าน อย่างในเรืองนี้ในการประกอินีี่เลที่เอดนไปกัน่อยงไรฮะว่าไรเไม่รอบคออ่าเม่กีบอกลทุกอย่างปกตินี่อะไราเรียนสิบบาฮะเลี้ยงสิบบาเลียงสิใช่เลี้ยงสิบใช่ต้อง แต่ว่าในข้อสุของเราเนี่ยเราตอบถามีไม่ได okay. ้เพราะไเพราะเราตั้งข้องว่าเด็กไห้ยืสนะครับแต่โจไม่ได้บอกโจไม่ได้บอกแต่คุณไขนมาตอถามว่าคุณได้บทเรียนอะไรบ้างจากอัจารยนะฮะได้บทเรียนอะไรบ้างจากาจารย์ไงทองก็หอมเขาเด็กแรับข้อเนี่ยเด็กก็ใส เด็ก้าเลยเด็กเขาสอบอนแล้วเดก็ทำคำตอบเข้าใจติาขึ้นได้บาทในแง่ขงเราซึ่งเป็นผู้ในแง่ขงเราซึ่งเป็นคูพูดผูคิดผู้ได้โจทย์นี้แล้วก็ในแง่เราซึ่งเป็นผู้ได้ทำเรื่องเราได้เรรค้ะรเราไดเราอยาการได้นรมากลยก แต่ว่าทำไมเราคิดไม่ออกทีแรกคำถามคือทำไมเราคิดไม่ออกทีแรกที่ด้านเดียวที่ว่าอะไร่่ที่อ่าไอไอความที่ว่าจะมีเงินยี่สิบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองใช่ไหมครัพอเราคิดท้ไมเนี่ยเราเราตามเลยตอบไม่ถูกตอบไมได้เลยไอการที่เราคิดขึ้นมาเองนี่ยนะเอาลมมันเป็นสิ่งที่เราคูณแต่งขึ้นมา แล้วปกติในชีวเราเนี่ยเราปรุงแต่งเหตุการณ์เราปรุงแต่งข้อมูลขึ้นมาที่เราเป็นตัวเขาไม่ได้ทำแต่เราคิดว่าเขาทำเขาอาจจะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงแฟนเราอาจจะกําลังคุยกับกังกินอาหารกับเราไปเจอแฟนเรากินอาหารอยู่กับผู้ชายคนนึงใช่ไหมเราปรุงแต่งด้วย ถ้าเราปุ่แสงจะไม่รู้ตัวานแสงว่อะไรคิดอะไรมาเอาท้ายเป็นคำถามหนึ่งพอกับลูกนั่งรถขี่นงรถกลางถึงนะบอกว่าพอข้ามข้ามทางรถไฟไม่ทันรู้ตัวรถไฟทึ้นคอนโพ่อตายสนิท ไอพารที่ลูปอาการหนันี่พาสมุรมาผมมเกิดให้เกิดเกิดพียอมเ่าพาสมรมารามาห้องการผ่าตัดสมองดวนอาการรี้เรียกหมอเรียกพยบาลมาเ็ที่หอสัอสันก็มีมาทหมอสสเกื่อตัวเสร็จพราะ แต่พอมาเจอคนป่วยเจอคนเจอเจอคที่โศก็ีเดวก็กัวกก็มืออ่อนเลยบอกว่าทำไม่ได้หาไม่ได้เพราะพี่ลูกฉันมองไหมมองไหมมองเราเราก็มีลูกหลายคนก็มีแม่ไอ้ก็มีพ่อหลายคนนะพ่อกงตาย เรืてて่องสองที่แรกก็ต้องต้องเพื่อเพื่อเพื่อู่ว่าหมอนี่เป็นแม่ใช่หมแต่ทาไมเพื่อที่แรกคุณสงสองไม่ได้คุงงเพราะอแไัร้อยพ่อที่คือสิ่ง่เราปรุงแต่ขึ้นมานะในซ่าจะทำไมถามว่าคุณได้เรารู้อะไรบ้างจากจากจากกิจกรรมเนี่ยคือเพื่อทำมาโดมโจทให้เราปรุงงงตอบไม่ได้ คุณก็พบว่าเออเเราะเราปรุงแต่งเหตุผมปรุงแต่งข้อมีลมาโดยไม่รู้ตัวแลวมันก็ทาให้เราติดตันและหลายข้อในชีวิตของเราเนี่ยนะเราปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวเนียถ้าถ้าสมาธิถ้าสมาธิถ้าสมาเอะถ้าสิ่งที่สมาธิำลังทาเนี่ยก็คือกำังกาลังขอดบทเรียนจากพวกเราขอดแ่เปเร็วและข้าเวลาน้อย ปกติให้เวลามาันครึ่งชั่วโมงก็ตอบไปได้บทเรียนก็คือว่าคนเราชอบระุมแต่งข้อมูลโดยไม่อ่ยเฟ่องมดูอันนี้เราก็ต้องถ้าจะมีถ้าถ้าจ ะ, าจะมีประโยชน์กต้องโยงว่ามันในกรณีแบบนีน้เนี่ยการที่เราตอบโจทย์้ได้ สัมพันโยงยกับชีวของเราในชื่อประจำวันก็อา้อในช่อายการพูดคุยกับางเะว่าชี่ิประจำวันเนี่ยเนี่ยาปถามว่ากรณีการที่คุณตอบการที่กรที่คุณเจอัญาอะนี้คุณตอบไม่ได้เนี่ยมานดะให้แง่ที่ในรดัวเ่าชเก่ชื่อของคุณเก่ับประสบการณ์นีตประจวันคุณก่าจะมีการบอเว่าเออทีเราชอบคุณแต่โดยไม่รู้ตัว เพื่อไม่ได้พูดแต่เพื่อเพื่อนเราพูด น, ดรรร น, นะ ร, ร, รนนัไมเจอการทลแว้กันหลังนี้พยายามทลาะกันเพราะว่าปรุงแต่งในตผลโดยไม่รูตัวปรุงแต่งข้อมูลดยัมรู้ตัวอันนี้มันจะนไปสู่เรืกกรออเ่อ ง, อางการโยกยชุประจำวันเให้ตัวใจายรองู้นเนี่ยมาสมบูรณ์นะคยิ่งถ้าเอาไปใช้ ย, ยิ่งดี ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยยางเรียนเรื่องเกับเรื่องเด็ก<ๆ>เด็กดเด็กถอดเด็กเด็กหักไม้นะถ้าเด็กได้บทเรียนว่าเออไม้ที่รวมกันแล้วเนี่ยมันหักให้ได้เด็กได้แค่นี้นะมีประโยชน์ไหมครัเด็กได้เรียนรู้ว่าไม้กินไม้ถ้าหนึ่งกิ่งหักได้ง่ายถ้ามีสี่กิ่งหักไม่ได้เด็กได้รู้แค่นี้มีประโยชน์ไหมครัไม่พราะอะไร ชเดามันได้มันก็ใช้ด้านกันนะสร้างบ้านสร้างเลยก็ไม้ด้นหนาหน่อยไหลาย้นหน่อยนะแต่ว่ามันไม่โยงชีิตประจำของเขาเพราตอนนั้นเนี่ยเขากลังทะเลาะกันเนี่ยพี่น้องทะเลาะกันเด็กรู้ว่าเออไม้หลายกลีมมารวมกันแล้วหักไม่ได้แต่ถ้าเด็กไม่ได้ไม่สามารถจะโยงแต่ว่าอันนี้มันกาลังบอกเราว่าสามกีคือกลังพี่น้องอสามีกันถ้าเด็กไม่เนเรื่องตรงนี้นะก็ไม่เกิดการเป็นลูกที่ ก็ เ, เอามาใช้กับคิดประจำวั น, บบวนได้เอามาใช้แก้ปัญหาคืนไม่ได้ร ต, ตอนนี้คาวเงินเขาล่ารัอยู่นะสิ่งที่พ่อทำเนี่ยจะต้องโยงให้เด็กเนี่ยเห็นว่าเรื่องไม้สไม้เรื่องไม้สีกิน เ, เนี่ยมันโยงกับชีวิตของเขาด้วยชีของลูกด้วยนะอันนี้แหละที่มันทำให้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันูรณและจะเอาไปใช้นะเมือ่อตอมาก็่ะเรื่งสรุป ไอกระบวนการเรียนรู้เนี่ย ม, มันสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องให้มีการถอดบทเรียนเพราะว่าไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับการเกิดประโยชน์ชีวิตประจำวันของแพทย์อและมันอาจจไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทยไปซึ่งจะให้ผลยัง่งยูน คุณปลูกปาคุณจัดดอกไม้มันก็จบแค่นั้นแะจัดดอกไม้เสร็จคุณไปนวดเตะคุณไปปลูกปาจบกลับไปบ้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงข้างในมันก็ไมมีอะไรแต่ถ้าคุณไปปลูกปาแล้วคุณเกิดพบความเปลี่ยนแปลงข้างในว่ามันทำให้คุณเนี่ยพลัคุณไปนวดเตะแล้วคุณพบาะว่าคุณมีความสุขคุณก็อยากจะ ทำอย่งทนี่ต่อไปคุณจะอยากจะไปนวเด็กหรือไม่ก็เลยไปทำคิตอาสาที่อื่เพราะคุณรู้ว่าเพราคุณมีความสุขคุณได้รบความสุขคุณปลูกป่าแล้วเนี่ยนที่คุณจะนที่จะรู้สึกเหนือยเป็นเพรมันร้อนเพราะมันเพราะมันรัอกเลยคุณเกิดมีแรงหยุดใจที่อหากคําต่อและการวามที่ไม่จบแค่วันนี้ ก็จะมีแรงยูนใจแรงขับนำที่ไปทำอย่างต่อและเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ความต่อเนื่องความสืบเนื่องของการทํา ง, งานเพื่อสังคมเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่เกิดความการเปลี่ยนแปลงข้รางกายนเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใเมื่เกิดความสุขที่เป็นตัวสะสมให้มีการทำงานไปไเรื่อยๆและคนทํางา น, นก็มีความสุข สิ่งแรกล้อก็ดีเรกวาเการเปลี่ยนการข้างายนอกรเบิด ก, การเปลี่ยนแปลงอันนี้แหะ ค, คือสิ่งที่สิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นา ก, ก, กากกิจกรรมคนจับการทำงนานนะอาารย์มาเชื่อเชฟเรวรนะนะก็เพมีขยันทำอยงนตกลงฟังแล้วนี่ประมการเรนู้นี่มันยากนะ ยากนะแต่ยากก็ก็อย่าก็ก็อย่ากลัวการถอดบอลลูนก็ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องซับซ้อนก็เป็นกระสิที่คุณทำอยู่แล้วกระสิที่คุณเจออยู่แล้วเจอมั้งแตกด้วยนะไม่อยากลัวนะตอนนี้เพื่อเราจะเราจะใช้เราจะมีเทคนิคใช้มีวิธีการอย่างไรที่จะทํากิจกรรมที่จะส่งเสริมให้หกิกดกล้ามเนื้อดแล้วก็มีการใส่รอง ทั้งหมดนี้ต้องดีไซน์คุณต้องออกแบบบางทีงกิจกรรมบางอย่างก็ง่ายๆปลูก ป, ป่าไปสวดเด็กนะแต่ว่าถ้า ม, มันเกิจกรรมที่ชวนใหน้ใต่องเพื่อการขอนเรียนที่ดีการเรียนรู้ปันจุ์ักเกิดทุกนั้นก็จะเรียกว่าจะเปลี่ยนชีวิตคนได้อันนี้ก็ฝากไว้นะ